Book 2, <15. S 3> <15. S> 2> ูสิบห้าผลไม้และอาหารส д าวีนา а ี๊ а ลิตข้าวเช้าเน н ่ยดิฉันมีสตรอเบอรี่ у мяне ёсць к л у б н บ ц а ดิฉันมีกีวีและแตงโมอูมยา น, นี่ยูส์กีวีอ่อดิดิฉันมีส้มและกล้ฟรุตอูมยา น, นี่ยูส์แอปเปิลซินอีกรีฟรุดิฉันมีแอปเปลิลและมะม่วงอูมยา น, นี่ ย, สยูส์แอปเปิลแมฮดิฉันมีกล้วยและสับปะรด อุ่ н ยิ่ а н а สต์บ а นานดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ยาระบลูสลัดทูสเดวินดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งยาเย о มทตดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยยาเยิมทูสต с ส์มัลม ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมยาเยมทูทสต์สม์สมาร์กลัมอิปาลัมดิฉันกำลังทานแซนด์วิชยาเยมแซนดว์วดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมยาเยมแซดวสมรารินม ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศยาเยมแซนวิมรฮาริน้ำอปมิดรมเราต้องการขนมปังและข้าวน้ำาตรบเนยคลียบอิริสเราต้องการปลาและสเต็ก้ำาตรีบเนรบอบิฟเต็กซ เราต้องการพิซซ่าและสปากเกตตีน้ำาเตรบนยพิซซ่าอิสปเตเราต้องการอะไรอีกไหมตูน้ำเยชปเรบนเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปน้ำปลาเตบเนียมอร์าอิพมโดรซุป ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนดีส์นาหดัติซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตคารุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด